วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อักคะสมุธานปริวาสอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้มีอายุพรรษามากกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัต ส, สังคาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันและอาบัตสิบตัวปิดไว้สิบวันท่านผู้เจริญบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดกระผมนั้นขออักคะสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สอง ละพึงขอแม้ครั้งที่สามละภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจตุถกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไวหนึ่งวันละ อาบัดสิบตัวปิดไวสิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดภิกษุชื่อนี้ขออัคคะสโมโอทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดสงพึงให้อัคคะสมโมทานปริวาท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 อาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดภิกษุชื่อนี้ขออักคะสโมโุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์บรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดสงฆ์ให้อักคะสโมโุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุชื่อนี้บรรดาอาบัตเหล่านั้น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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตเหล่าใดปิดไว้นานกว่าอาบัตทั้งหมดอัคคะสโมโอทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้